กราบนวัส ก, การท่านพระอาจารย์พระครูบวรเวโระบง์พระอาจารย์คันชิตอกินจโนทีท่เคารพอย่างสูงวันนี้ก็เป็นเย็นวันแรกของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรกลับมารู้สึกตัวโดยท่านพระอาจารย์ขอความเมตตาท่านพระอาจารย์ได้โปรดให้ธรรมะนําปฏิบัติเพื่อการเจริญในธรรมตามสมควรกัเวลาการาบพระนาท่านพระอาจารย์เจ้าค่ ะ, ะเจริญพรพนคำนะครับท่าน <c oughs> วันตอนบ่ายนี้พระ อ, อาจารย์ก็ได้ให้หลวงพี่นำภาพกเราปฏิบัติใช่ไหมก็เพื่อให้เข้าใจหลักการการตั้งกรรมฐานตรงคกรรมฐานประกอบด้วยกิสวนเอสวนคือฐานกับใจฐานที่ดีที่สุดอยู่ที่ไหน แล้วอะไรที่แสดงออกคือความเป็นกายมีกี่อย่างกายแสดงออกในกี่อย่างหนึ่งอิริยาบถใหญ่สองอิริยาบถย่อยสามลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั <c oughs> ่นมาคําว่าถ้าเราจะสังเกตดูกายก็สังเกตผ่านอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยแล้วก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออก เราจะเห็นการทำงานของกาย <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> การที่เอาใจมาตั้งและลึกรู้ไว้กับฐานกายมันไม่ได้ทำให้เราเห็นแค่ฐานกายแต่ในขณะที่เราเคลื่อนไหวเป็นจังหวะด้วยกระบวนการทำสิบสี่จังหวะใช่ไหมกำหนดอิริยบทย่อยผ่านรูปแบบที่เรียกว่าอิริยบทประดิษฐ์ อิริยาบถประดิษฐ์ก็คืออิริยาบถ ท, ที่ถูกทำขึ้นมาเพื่อใช้เป็นฐานในการระลึกรู้หรือทำกรรมฐานการเคลื่อนไหว14จังหวะหรือการกำหนดอิริยาบถ14จังหวะตามแนวทางของหลวงพ่อเทียนเนี่ยเป็นกระบวนการของการใช้อิริยาบถประดิษฐ์เพราะว่าอะไร ให้มีเจตนาให้มีความตั้งใจกับการเคลื่อนไหวทำไมถึงต้องมีเจตนาทำไมถึงต้องมีความตั้งใจเพราะความตั้งใจเป็นอาหารของสติและความรู้สึกตัวเข้าใจไหมความเคยชินเป็นอาหารของความหลงเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งใจเคลื่อนไหวในรูปแบบปริยบบทประดิษฐ์ตัวเนี้ย มันจึงไปกระตุ้นให้เกิดความตั้งใจเพราะฉนจะเห็นได้ว่าเราจะใช้คาว่าตั้งใจทำทีละครั้งรู้ทีละครั้งจบลงทีละครั้งไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เกิดความตั้งใจมันจะมีภาวะหนึ่งตามมาทันทีกับความตั้งใจนั้นก็คือใจเป็นธาตุรู้ใจเป็นตัวรู้เมื่อใจตั้งตรงไหนมันก็รู้อยู่ตรงนั้นใช่ไหมใช่ป่ายกมือขึ้นซิ รู้ไหมเมื่อกี้ใครยกแบบเออเออเบอรเบอเ อ, อยู่ <Okay. S 1> อะไรเหรอไม่ทนันยกมือขึ้นดิโอเอค okay ฮะรู้ไหมว่าตัวเองยกมือรู้ไหนึกว่าไม่รู้ยกไปตามๆเพ็นงเขายกก็ยกตามก็ mm hmm. ยกทำอะไรเหรอไม่ตั้งใจยก การตั้งใจยบมันทำให้ใจไปตั้งอยู่ตรงนั้นตั้งใจก้าวเดินใจก็อยู่ตรงที่การก้าวเดินตั้งใจหายใจอันเนี้ยเรื่องอยากตั้งใจไปอึดอัดไม่ค่อยตั้งใจหลงเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้ให้เอาลมหายใจเข้าหายใจออก เป็นกรรมฐานหลักเหตุผลก็เพราะว่าตัวลมหายใจเนี่ยไม่ได้ตั้งใจมันก็หายใจปัญหามั่ก็เลยอยู่ที่ว่าพอเราไม่ตั้งใจมันก็หายใจมันก็เลยง่ายต่อการที่จะไม่รู้ว่าตัวเองหายใจนะนั่งฟังอาจารย์มาตั้งนานเนี่ยลืมไปแล้ว าหายใจวะรู้ไหมว้าตัวเองหายใจรู้เมื่อกี้แหละตอนทักนั่นแหละใช่ปะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นการง่ายมากที่เราจะหลงต่อการใช้ลมหายใจเพราะฉะนั้นความหลงความเคยชินเหล่านั้นมันก็จะงอกเกยงอกงามเข้าใจยังไงเนี่ยเพรา ะ, ะถ้าอยากทำให้มันเร็วขึ้นให้การเข้าถึงทำมันเร็วขึ้น เราจึงต้องขย่ายท่ารู้ให้มันตื่นเมื่อเราขย่อยท่ารู้ให้มันตื่นด้วยการตั้งใจกับการเคลื่อนไหวตั้งใจกับอิรยิยาบถไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งนอนหรืออิริยาบถย่อยการคูการเหยียดการเคลื่อนการไหวอิริยาบถธรรมชาติเหล่านั้นก็ไม่อาจจะใช้เป็นกรรมฐานได้ในระยะเริ่มต้นในระยะเริ่มต้นเข้าใจไหมเพราะว่าในระยะเริ่มต้นนั้น ใจมันยังไม่รู้จักฐานใจยังไม่รู้จักบ้านใจยังไม่รู้จักวิหารธรรมใจยังไม่รู้จักฐานเมื่อใจยังไม่รู้จากฐานจึงจำเป็นต้องทำให้เขาคุ้นเคยกับฐานให้ได้ก่อนนั่นหมายความว่าการเคลื่อนไหวสิบสีจังหวะผ่านการเคลื่อนไหวแบบตั้งใจทำตรงนี้สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือใจมันจะเริ่มรู้จักฐานกลับมา มันจะกลับมาลรกรูก้กับการเคลื่อนไหวเพราะจะเห็นเลยว่าในขณะที่เราเคลื่อนไหวไปนั้นมีไหมที่ใจมันหลงออกไปมีไหม เ, เมื่อมันหลงออกไปแล้วสังเกตไปว่าพอเราตั้งใจขยับมาอีกครั้งหนึง่งมันก็กลับมามีไหมการที่เราตั้งใจขึ้นมาปับแล้วมันกลับมาได้อันเนี้ยเขาเรียกว่าฝึกให้ใจรู้จักบ้านจากช่องตัวเองซะบ้าง ให้มันกลับมาให้เป็นก่อนบางคนบอกพระอาจารย์ใช้อิริยบถย่อ ย, ยแบบธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วได้ไหมแบบว่าเนี่ยยกแขนก็รู้กำรรมือก็รู้หายใจเข้าก็รู้นี่ลมพัดถูกกายก็รู้นะอืมได้อยู่ได้อยู่ถ้าคุณฝึกพอแล้วหมายความว่าคุณฝึกให้ใจกลับมาบ้านเป็นแล้ว เมื่อใจรู้จักบ้านตัวเองได้ต่อไปอ่ะคุณจะรู้เองกระบวนการของมันเนี่ยจะทำหน้าที่ตื่นรู้ขึ้นเองกับอิริยบรย่อย ย, อย่อยย่อยลงไปเลยไม่ใช่ย่อยแค่คุ้ยเลยไปเขียนก็คุ้แขนเข้ามาเหยียดแขนออกไปนะแค่กระพริบตาคเรือมหลายก็รู้หรือแม้แต่ลมพัดถูกเส้นขนหน้าแข้ง เข้าใจ่ะมันย่อยย่อยย่อยลงไปเลย <c oughs> คือมันจะรู้มันจะรู้ชัดถึงตรงนั้นแต่ก่อนที่จะทำให้มันเป็นอย่างนั้นได้คุณจะต้องฝึกให้เขากลับบ้านให้เป็นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องทำในรูปแบบเข้าใจยางไงเนื้นรูปแบบแห่งการเคลื่อนไหวนี้จะทำให้เขาจับหลักได้ว่าพอขยับเรารู้สึกได้ พอขยับเรารู้สึกนี่เลยใช่ไอ้ตัวที่มันรู้เนี่ยขยับแล้วรู้ขยับแล้ตัวที่มันรู้ก็คือใจมันรู้ใจมันกลับมารู้อยู่ตรงนั้นท่านฝึกนี้บ่อยๆฝึกนี้บ่อยๆปุ๊บมันลงออกไปปั๊บประสิทธิภาพมันจะเห็นก็คือมันจะกลับมาได้เร็วขึ้นเพราะนั้นเมื่อตอนบ่ายสังเกตดูไหมพอหลวงพี่ให้เราเริ่มทําให้เราเริ่มทำไหมหย่งมือสร้างจังหวะได้ทํำไหม สังเกตไหมว่ามีหลงออกไปไหมมีกลับมาได้ไหมมีหลงออกไปนานไหมมีหลงกลับมาได้เร็วไหมขึ้นไหมมันมีหมดแหละขบวนการมันจะค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะอย่าเพิ่งแบบเฮ้ยฉันไม่หลงนานนะฉันหลงสั้นๆฝันไปเถอะนั่นแปลว่ายังไม่เจอไอ้ตัวเรื่องแรงๆไงเด็กนะถ้าตัวเรื่องขี้เล็บขี้ปัติว๋วมันก็สลัดได้ง่าย แต่กรรมฐานเนี่ยมันจะพาให้เราเห็นเองว่าเรื่องบางเรื่องมันสลัดไม่ได้ง่ายๆมันลากเราไปจะยืดเยื้อกับมันได้แน่ๆซึ่งนั่นแหละมันคือสิ่งสำคัญที่เราอยากให้เห็นเพราะนั่นคือคกลไกการทางานของของสิ่งที่มันซ่อนอยู่ข้างในนั้นมันจึงสามารถที่จะลากเราออกไปยืดเยื้อได้เข้าใจไห ส่วนไอ้ที่มันแบบเล็กๆน้อยๆสลัดทิ้งเป๊ะๆปะเปาะแปเปาะแปเนี่ยโอยมันขี้หมูลาขี้หมายแห้งมันแบบไม่มีปัญหามันไม่ได้สร้างปัญหาเข้าใจมะมมันจะค่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆกรรมจะจำแนกสัตว์แต่กรรมฐานจะจำแนกให้เราแยกระหว่างเรื่องทุกข์กับเรื่องที่ไม่ทำให้เราทุกข์นะมันจะพาเราแยกเป็น เรื่องที่ทําให้เราทุกข์กับเรื่องที่ไม่ทําให้เราทุกข์กรรมฐานจะพาเราแยกแลกแยกทิ้งออกไปกับไอ้ที่มันไม่ทําให้เราทุกข์เนี่ยมันจะถูกทิ้งถูกเลือกทิ้งไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆจนกว่ามันจะเราจะไปเจอ ไ, ไอ้เรื่องที่ทําให้เราทุกข์ซึ่งตรงนั้นน่ะมันจะเจาะประเด็นได้ชัดขึ้น <c oughs> อันนั้นเอาไวท้ทีหลังในเรื่องของจิต <c oughs> เพราะฉะนั้นในสิ่งที่พระอาจารย์ องค์การนี้คุณทราบเบื้องต้นคือตั้งกรรมฐานให้เป็นตั้งกรรมฐานให้เป็นนะั้นกรรมฐานประกอบด้วยกี่สว่วนคือฐานกับใจเมื่อใจตั้งที่ใดใจจะรู้อยู่ตรงนั้นอาการที่มันระ ล, ลึกรู้อยู่ตรงนั้นเราเรียกว่าสติหรือเรียกว่ากรรมฐานเกิดขึ้นแล้วนะตรงนั้น เพราะฉะนั้นถ้ามันไปตั้งแลึกรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็แปลว่าเราตั้งกรรมฐานที่ไหนลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้ถ้ามันไปรู้กับการเดินก็แปลว่ากรรมฐานเราตั้งที่ไหนใจเลยไปตั้งที่เท้าที่การเดินตรงนั้นถ้ามันยกมือยกไม้ไปแล้วมันรู้ล่ะก็แปลว่ามันตั้งอยู่ที่การยกมือยกไม้การเคลื่อนไหวของมือกับแขนซึ่งตรงนี้แหละเขาเรียกว่าฝึกให้มันรู้จักเข้าทีเข้าทาง กร็รมาฐานแบบการเคลื่อนไหว14จังหวะไม่มุ่งเน้นเรื่องความสงบไม่มุ่งเน้นเรื่องความสงบเพราะฉะนั้นมันจะแตกต่างจากที่เราเคยเรียนใครที่ไม่เคยเรียนกับพระอาจารย์ก็ขอให้เข้าใจนะว่าเราไม่ได้มุ่งพาคุณไปสู่ความสงบสอนให้คุณสงบสอนง่ายจะตายไม่ต้องทาอะไรมากแค่อาจารย์บอกอนั่งหลับตาลงหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจยาวๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็หลับ หชั่วโมงผ่านไปอาจารย์ก็แค่มาบอกอ้าวออกกรรมาฐานพวกเราก็รู้สึกว่าอืผ่านไปนหนึ่งชั่วโมงแล้วสดชื่นจังเลยได้หลับไงถามว่ามันได้อะไรมันก็ได้แค่สงบได้แค่หลับแต่มันไม่ได้เข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ต้องการพาให้คุณทําก็คือขย่ายธาตุรู้การขย่อธาตุรู้ทํำยังไงให้มันขยันรู้ ขย่าลธาตรู้ก็คือให้ธาตรู้มันขยันรู้วิธีการขยันรู้ก็คือทํำยังไงใจมันตั้งตรงไหนมันรู้ตรงนั้นคือตั้งใจทำเข้าใจยังไงพะตั้งใจจะแข็งมือปั๊บมันมาลูตั้งใจยกขึ้นมาปั๊บมันก็จะรู้อีกมันเอามือมาที่ท้องปุ๊บมันก็จะรู้อีกใช่หรือไม่ตั้งใจจะแข็งมือซับปุบมันก็รู้เนี่ยใช่ไหม ทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันมีอาการใจหลงออกจากฐานไปใช่หรือไม่ใจมันพลัดหลงออกจากฐานไปในรูปแบบของความคิดที่เรียกว่าเผลอคิดถูกไหมปัญหาก็คู่ปฏิบัติในสมัยเก่าแบบรูปแบบที่ยังพยายามเน้นเรื่องความสงบความเผลอคิดเป็นเรื่องอะไรที่ไม่อยากให้เกิดใช่หรือไม่ ไม่ต้องการคิดขึ้นมาเมื่อไรงุดงิงทุกทีคิดทําไมอยากสงบไว้เมื่อไรเมื่อไรมันจะแนบนิ่งอันทุกทีอาจารย์มันฟุ้งอยู่แน่แน่การปฏิบัติตามแนวทางแห่งการเจริญสติไม่ให้ปฏิเสธมันแต่ให้รู้ว่ามีไม่ให้ปฏิเสธมันนะไอความเผือคิดนั้นแต่ให้รู้ว่า บัดนี้มีการเผอคิดออกไปแล้วให้รู้ว่านี่อาการของจิตมันหลงออกจากฐานไปปุ๊บอ่าเห็นมันล้วรู้เนี่ยไปรู้ตรงนั้นนะแล้วก็กลับมาลุกายที่เคลื่อนไหวอีกพอมันคิดกลับรู้อีกกลับมาลุกายที่เคลื่อนไปอีกคิดออกไปปุ๊บเนี่ยเอาง่ายว่าพอใจตั้งที่ฐานเนี่ยใจไปอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฐานเคลื่อนไหวไปใจก็รู้ไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยองเงี้ย แต่พอสักพักหนืองมันจะแยกกันปั๊บก็ให้รู้ว่ามีเข้าใจยังอ๋อนี่ไงมันเพลิกไปคิดแล้วกลับมาไปหารู้อีกแล้วก็รู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้ไปเนี่ยขยันรู้พอวันหลบปุ๊บก็ก็ับหาลู้อีกเนี่ยการเขย่าธาตรู้ด้วยการให้รู้มันขยันรู้เนี่ยตรงเนี้เป็นเหตุตรงนี้เป็นเหตุคือหมายความว่าคุณสร้างเหตุปัจจัยเรื่องนี้ให้มากเท่าไหร่ กระบวนการแห่งการเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าจะเร็วมากเท่านั้นส่วนมากมันจะเป็นคนขี้เกียจแต่อยากบรรลุธรรมโอ้เมื่อไหรจะเข้าถึงอาจารย์เมื่อไ้จะเข้าใจาทันทีว่างเมื่อไรก็เดี๋ยวก็นั่งหลับว่างเมื่อไรก็นั่งสงบไอเราบอกเฮ้ยห้าวันเนี่ยขอเฮ้ย อ, อยู่กับอาจารย์เนี่ย ห้าวันเนี่ยอยู่กับวาจาเนี่ยช่วยทิ้งอดีตได้ไหมช่วยทิ้งอดีตแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับฉันอย่าคิดถึงคนเก่าได้ไหมช่วยคิดถึงฉันขณะที่อยู่กับฉันเถิดห้าวันนี้ถ้าอยู่กับฉันแล้วรู้สึกไม่เป็นอะไรแล้วเือทิ้งฉันได้เลยเธอทิ้งฉันได้เลยนะเข้าใจมะ เพราะฉะนั้นภายในห้าวันเนี้ยขอเอะอะเอะ อ, อ, อ, อ, อนั่งยกมืออย่างเดียวเอย่าลุกขึ้นเดินจงกรมอย่างเดียวเอามันตรงนี้ให้ขยันรู้เนี่ยรู้ว่ากายเคลื่อนไหวรู้ว่าใจมันคิดให้มันรู้ตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่หลวงพี่พาพวกเราไปตั้งกรรมาฐานแล้วมีสิ่งหนึ่งก็คือมีอาการที่ใจมันหลงออกจากฐานมีไหมมีไหมเอากลับมาได้ไหมเพราะฉะนั้น กระบวนการการปฏิบัติมันจึงมีใจความสำคัญอยู่สองข้อใจความสาคัญสองข้อนี้ถ้าเข้าใจใจความสำคัญสองข้อนี้เมื่อไหร่คุณจะเข้าใจการปฏิบัติทุกเส้นทางการปฏิบัติและคุณจะรู้ว่าวิปัสสนาคืออะไรแล้วคุณจะรู้อีกว่าที่เขาทำกันอยู่เนะี่ยมันยังไม่เข้าวิปัสสนา คุณควรจะไปเติมอะไรให้เขาหรือควรจะไปตัดอะไรออกกับเขาคุณจะเข้าใจจริงๆคุณเข้าใจจริงๆถ้าคุณเข้าใจสอบใจความสำคัญสองข้อนี้ข้อที่หนึ่งรู้จักองค์ประกอบของกรรมฐานข้อที่หนึ่งคือรู้จักองค์ประกอบของกรรมฐานกรรมฐ า, านประกอบด้วยกี่ส่วนคือฐานกับ ใช่เออเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่ใจตั้งอยู่กับฐานจะอะไรก็ตามจะใช้อะไรก็ตามให้ใจไปเรืลึกรู้อะ่ะเขาเรียกว่ากรรมฐานเกิดขึ้นนตรงนั้นถ้าจุดเทียนแล้วเพ่งไปที่เปลวเทียนใช้อะไรเป็นฐานจะเปลวเทียนเป็นฐาน เขเรียกกรรมฐานกสินไฟเพ่งช่องหน้าต่างเรียกว่าเพ่งช่องช่องว่างหรือว่าเราเพ่งดินไงเพ่งสีเหลืองเพ่งสีขาวเพ่งสีแดงเพ่งสีดําพวกนี้เป็นกรรมฐานโบราณก่อนพระพุทธศาสนาจะเกิดกรรมฐานพวกนี้เขาฝึกกันมานานมากหรือสีชีพไทยทั้งหลายฝึกพวกนี้ ที่ฝึกพวกนี้เพราะเขามีความมุ่งมั่นต้องการให้จิตมันนิ่งคุณฟังเลยนะมันคล้ายๆ ค, คุณเมื่อก่อนไหมทํากรรมฐานเพื่อให้จิตมันนั่นไงโบราณเป็นกรรมฐานโบราณทําไมบอกว่าเป็นกรรมฐานโบราณเพราะกรรมฐานเหล่านี้มีมาก่อนพุทธศาสนา เขาฝึกให้นิ่งเพราะเขาเชื่อว่าจิตเป็นอัตตาที่เที่ยงแท้เพราะฉะนั้นเมื่อเขาเชื่อว่าจิตเป็นอัตตาที่เที่ยงแท้คือพวกฤาษีพวกนี้เขาเชื่อว่ากายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเพราะเขาไม่ไม่ไม่อะไรอาวรกับกายนะใช่ปะพวกฤาษีพวกนี้เขาไม่อะไรอาวรกับกายนะ บางทีทิ้งเลยนี่ยกมือแขนเดียวจนแขนรีบกำมือจนหนังเล็บแทงทะลุหลังมือเอาเหล็กเกี่ยวลิ้นอย่างเงี้ยเข้าใจไหมบางคนยับลู ก, กตาตัวเองเนี้ยบางคนปิดหูไว้ตลอดชีวิตบางคนยืนขาเดียวบางคนเอาเหล็กแหลมแทงอวัยวะเพศตัวเองไม่พอเอาหินห้อยลงไปอีกคึก บางคนอดอาหารบางคนนอนบนหนามบางคนฝังตัวเองเหลือแต่หัวอย่างเงี้ยบางคนเอาหัวฝังดินเลยสักคือเขาทิ้งกายเหมือนสมัยที่เจ้าชายสิทธาถาไปฝึกฝึกกับอาราละดาบทอุตการดาบทเพื่อให้ได้กรรมาฐานที่เรียกว่าการทำจิตให้สงบแล้วต่อมาก็ามาสู่การทํากัตถุกัละกิริยาก็เพื่อเชื่อมั่นว่าการทิ้งกายแต่มุ่งที่จะทําให้จิตกล้าแข็ง เพราะเขามีความเชื่อว่าจิตนั้นเป็นเป็นอมตะจิตเป็นอัตตาที่เที่ยงแท้เพราะฉะนั้นจะต้องทำจิตให้กลายเป็นบรมอัตตาจุดมุ่งหมายในการฝึกจิตของเขาจึงเป็นไปเพื่อไปเป็นพรมรูปประพรมและอรูปประพมเขาไม่ได้เรียนเพื่อการดับทุกข์เขาไม่ได้ปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์แต่เขาปฏิบัติเพื่อจะไปเป็นพรม เพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายของเขาคือเขาจะตายจากโลกนี้เพื่อไปเป็นพรหมในโลกหน้าเข้าใจไหมเพราะเขาเชื่อว่าจิตคืออัตตาที่เถียงเพราะการทำให้จิตนิ่งได้มากเท่าไหร่นี่คือการบังคับเพื่อให้จิตนิ่งและมีกำลังเขาทำแบบนี้มาตลอดผิดไหมเขผิดไหม เขาไม่ผิดเขารู้อยู่แค่นั้นเขารู้อยู่แค่นั้นศาสนาของเขาคำพีพระเวทสอนเขาอย่างนั้นคำพีเราคมภี ก, ก่อนพุทธศาสนาจะเกิดมุ่งไปเรื่องนี้โดยตรงเพรา ะ, ะ น, นเขาก็เลยพากันทามุ่งที่จะทำเพราะอาจารย์ก็เลยยังสงสัยสงสัยอยู่ว่าไอ้กับอกรรมฐานที่ใสมาสี่สิบกองในพุทธศาสนาเนี่ยมัน มันใช่ทั้งหมดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอการทํากรรมฐานแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มุ่งไปสู่การเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องการทํากรรมฐานแบบนี้นั้นเขามุ่งเนี่ยเขารู้ว่ากายเนี่ยมันไม่เที่ยงเพราะเขาเห็นไงเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตายเพราะาเขาจึงมองว่าไอรูปกายตัวเนี้ยมันเป็นของที่ สักวันเขาตั้งแก่ชาราก็ตายการเห็นของในลักษณะนี้เป็นการคิดไม่ได้เห็นตามแนวทางของอนิจจังทุกขังอนัตตาแตเห็นด้วยตกกะกัดด้วยความคิดเห็นคนแก่ไงก็มีคนแก่นี่้พ่อเราเมื่อก่อนก็ยังหนุ่มๆอยู่เดือนนี้แก่แล้ว้ตัวเราเองก็ยังดูแก่เนี่ยเข้าใจไหมนี่คือลักษณะการการ เขาไม่ได้เห็นด้วยตา ม, ตามกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เป็นการเห็นด้วยความคิดด้วยตร ก, กะด้วยความคิดของเขาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็ทำให้เขาทิ้งกายได้นะเพราะเขามีความหวังว่าเขาจะไปอยู่อยู่โลกหน้าเขามีความหวังว่าเขาจะไปอยู่โลกหน้าเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเขาจึงมุ่งไม่ไดไ้ไม่ได้มุ่งใ น, ในชาตินี้ แต่มุ่งชีวิตหลังความหลังความตายซึ่งเป็นคนละเรื่องของพุทธศาสนาพุทธศาสนาเราไม่ได้พูดชีวิตหลังความตายแต่คนระยะหลังมาเนี่ยเอาพุทธศาสนามาขายในลักษณะชีวิตหลังความตายทำบุญแล้วจะได้ไปเกิดเป็นเทวดา มีนางฟ้าบริวารห้าร้อยนางได้มีปราสาทในนัน่นนี่แปลกมากเลยอ่ะวันก่อนพระอาจารย์ดูข่าวที่เขาจับผู้ชายคนหนึ่งอายุมากแล้วเอาระเบิดพีชีพติดเต็มตัวเลยที่ตะวันออกกลางเอาระเบิดพีชีพติดตัวเต็มเลย แล้วจะเป็นจุดจุดระเบิดกลางชุมชนเขาจับได้จัดการแก่ก่อนก่อนที่แกจะกดระเบิดเขาก็ปลดระเบิดออกจากแก่ได้เขาก็ถามแกว่าทําไมถึงทําแบบนี้ใช้แก่คนนั้นบอกว่าชีวิตของฉันไม่มีอะไรโลกเนี้ยไม่ได้ให้อะไรกับฉันฉันอยู่ด้วยความยากลําบาก ลูกหลานก็ไม่มีเงินทองก็ไม่มีอยู่อย่างอดๆอยากๆแต่เขาบอกฉันว่าถ้าฉันสละชีวิตเพื่อพระศาสนาฉันจะได้ไปอยู่บนสวรรค์จะมีนางฟ้าบริสุทธิ์นะเขาใช้ค า, า, าว่ามีสาวพรหมมาจันทร์บริสุทธิ์ที่อยู่รับใช้ฉัน เป็นลอยๆแล้วก็เลยบอกเฮ้ยไอความคิดแบบนี้นี่มันมีแทบทุกศาสนาเลยวะเห็นไหมงั้นแปลว่าถ้าแก่คนนี้เชื่อว่าถ้าตัวเองตายไปตัวเองจะได้ไปเกิดในแดนสวรรค์แล้วมีนางฟ้าเป็นบริวารไอ้ย เหมือนพวกขายสวรรค์ขายนิพพานแถวบ้านเราเลยตกลงทุกศาสนามีเหมือนกันหมดเลยเว้ยเห็นไหมแอร์ทีหลังความตายมันเป็นความเชื่อที่ฝังใจให้คนมองว่าชีวิตในชาตินี้มันลำบากเหลือเกินมันทุกข์ยากเหลือเกินเพราะฉะนั้นฉันขอไปมีชีวิตในปรอบภพในภพข้างหน้าเถอะ เพราะฉะนั้นหลายคนจึงหลงที่จะเชื่อตามคําสอนในลักษณะลักที่หลังความตายซึ่งพ่ออาจารย์พยายามเน้นอย่างว่าพุทธศาสนาไม่ได้สอนอย่างนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆก็คือสอนให้เราสามารถเข้าถึงความไม่ทุกข์ในปัจจุบันชาตินิพพานกันขณะที่ยังมีชีวิตไม่ใช่ตายแล้วจะเขา้านิพพาน พอไม่งั้นพอกตายแล้วเขานิพานปุ๊บมันจะสร้างนิพานเป็นบ้านเป็นเมืองอีกพูดนิพานกันเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นตุเป็นตะนี่พระพุทธเจ้าที่ไปอยู่ก่อนเป็นตัวใสใสเป็นแก้วอยู่กันใสใสเป็นแก้วเป็นอะไรก็ไม่รู้อ๋อพาะเอาคําว่าใสบริสุทธิ์ไงแก้วใส บอกเนี่ยคือจิตวิญญาณที่ใสบริสุทธิ์จนนิพพานเนี่ยเราก็เลยบอกสมัยเมื่อก่อนเราก็เคยนะขอให้ถึงเมืองแก้วขอให้แค้วบ่วงมานขอให้ถึงเมืองพนานิพานขอให้ถึงเมืองแก้วขอให้แคล้วหมู่มานขอให้ถึงเมืองพนานิพานได้พบพระสีอ่านอะไรก็ว่าไปเคยไหมคำอธิษฐานเนาะนะ เขียนทะข้องจองกูเลาหลงเชื่ออยู่ตั้งนานมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของคนที่มีความคาดหวังอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์เล่าถึงชายชลาที่ชาวเป็นเป็นชาวต่างศาสนาของเราคนหนึ่งที่คิดจะเริ่ระเบิดพลีชีบอะ พ อ, พอถามก็บอกว่ามันก็ชีวิตมันไม่มีอะไรตอนนี้ก็หวังว่าถ้าตายไปก็จะได้ไปได้ในสิ่งที่ไม่เคยมีไงมันทำให้เราเห็นเลยว่าอ๋อนี่เองทำไมพุทธศาสนาจึงสอนต่างจากศาสนาอืน่นวันที่พระอาจารย์เข้าใจอีกอย่างหนึ่งก็คือวันนั้นพระอาจารย์ดูหนังเรื่องบัญญัติสิบประการ ใครได้ดูไหมโมเสสเดี๋ได้ยินไหมเรื่องราวของโมเสสฮะโมเสสพาชาวยิวใช่ไหมพาชาวยิวอพยพ อ, ออกจากอียิปเพื่อไปสู่ดินแดนที่พันธสัญญา เพราะฉะนั้นสิ่งที่โมเสสสัญญาไว้กับชาวบชาวจิวก็คือในดินแดนแห่งพระเจ้านั้นเราจะมีอิสระภาพไม่เป็นทาสมีอิสระภาพไม่เป็นทาสมีขนมปังมีปลามีเนื้อมีน้ำผึ้งมีผลไม้ มีความเป็นอยู่กินอิม่มอะเข้าใจไหมกินปั จ, จัจสี่พร้อมเหลือเฟือในดินแดงแห่งพระเจ้าอ๋อล้วเข้าใจละเขาขาดสิ่งไหนเขาอยากได้สิ่งไหนเขาก็อยากได้สิ่งนั้นในขณะที่พอเรามาดู เจ้าชายเศรษฐาของเราเจ้าชายมีปรสาสาทสามฤดูมีนางสนมกำนันอีกหนึ่งหมื่นนางข้าวปาอาหารบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่ได้เป็นทาตมีแต่ความเป็นใหญ่เหนือเหนือคนอื่นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายปรารถนาว่านี่คือนี่คือความสุข นี่คือสิ่งยืนยันถึงความสุขของมนุษย์เข้าใจั้มเจ้าชายมีหมดแต่สิ่งที่ผลักดันให้เจ้าชายทิ้งสิ่งเหล่านี้ออกไปสแสวงหาก็คือต้องการดับทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจมันจุดหมายต่างไหมจุดหมายต่างไหม พระองคไม่ได้ออกไปเพื่อสแสวงหาดินแดนอันใหม่ที่พ้นไปจากดินแดนเก่าอันแหลนแค้นพระอาจารย์ยังบอกเลยพระเจ้าไม่ได้สอนชีวิตหลังความตายไม่ได้บอกให้ปฏิบัติเพื่อไปเอาหลังตายเพราะว่าสิ่งที่พระองต้องการก็คือการ เรียนรู้เพื่อจะดับทุกข์ภายในใจของพระ อ, องค์ที่มันกลุ่นอยู่ตลอดเวลาไปฝึกทำกรรมฐานกับอาลาละดาบทกับอุทกะดาบทเข้าสมาบัติในขณะที่เข้าสมาบัติเป็นสมาธิสงบนิ่งมันก็ระงับทุกข์แค่ระงับ พอออกจากสมาธิมามันก็ทุกข์ก็ฟุ้งขึ้นมาใหม่เห็นนะเพราะัพระองค์จึงยืนยันว่าเฮ้ยไอ้ที่ทำมาเนี่ยมันไม่ใช่แล้วแล้วทำไมพระองค์ถึงไม่ไม่ปรงใจลงกับการปฏิบัติที่ผ่านมาที่เราฤาษีชีภัยพาพระองค์ทําเพราะพระองค์ไม่ได้ปรารถนาที่จะไปเป็นพรหมพระองค์ต้องการดับทุกทีนี้เดี๋ยวนี้ ฉันกำลังเป็นทุกข์ฉันไม่ได้ปรารถนาจะไปมีชีวิตหลังความตายฉันต้องการมีชีวิตที่ไม่ทุกข์ในขณะที่ยังมีชีวิตก็เลยเรื่องตอนที่บุกคลามมันพาทำบูชายัญฆ่าสัตว์เยอะแยะมากมายขอโทษนะการบูชายัญถึงขั้นฆ่าเด็กก็มีนะ ข่าผู้ชายข่าผู้หญิงเพื่อบูชายันมันไม่ผิดหรอกความเชื่อในศาสนาของเขาแล้วคนที่สามารถบูชายันได้ขนาด น, นี้คุณก็เกียวเป็นไข่ละข่าโดยไม่ผิดกระสัผู้ครองแคว้นต่างอากที่มีอำนาจเหนือทุกคนใช่หรือไม่แต่ถามว่าคนทุกข์ไหม พระพุเจ้าเสด็จไปถามพราพราม์เธอฆ่าสัตว์เหล่าเนี้ยเธอทําปานาติบาตเหล่าเนี้ยเธอฆ่าคนเหล่าเนี้ยไม่บาปหรอกไม่บาปท่านโคดมอ่านสมณะโคดมไม่บาปเพราะพวกเหล่านี้สัตว์เหล่านี้คนเหล่านี้ที่ถูกฆ่าบูชายาเนี้ย เขาจะได้ไปเกิดบนสวรรค์เพราะเขาเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่พอใจของพระเจ้าเขาจะมีชีวิตที่ดีกว่าตอนนี้เขาจะได้ไปเกิดบนสวรรค์มีชีวิตที่ดีกว่าตอนนี้พระบุรเดจ้ากับวชพรามเธอรักลูกรักเมียเธอไหมรักสิทำไมจะไม่รักถ้า ง, งั้นเธอไม่อยากให้ลูกเมียเธอขึ้นสวรรค์หร เขาว่าพวกนี้ตายแล้วขึ้นสวรรค์เอาลูกเมียมึงก่อนเด้เป็นไงคิดว่าพราหมณ์มันจะว่าไงฮะพราหมณ์มัน็อึึงเนี่ยไม่เคยมีใครถามแบบนี้เลยวะไม่มีใครเคยเย็นกูเลยหลายพันปีที่ผ่านมากูบันัาลวิชาบูชายัน์มาเนี่ย ไม่เคยมีใครแย้งกูเลยไม่เคยมีถามกูแบบนี้เลยแม้แต่กษัตริย์ก็ไม่เคยถามกูแล้วอยู่ๆสมณะโคโดมถามแล้วชาวบ้านได้ยินด้วยกษัตริย์ก็ได้ยินด้วยเออวะไม่เคยถามมันเลยเออแล้วมันตอบไม่ได้อ่ะเมื่อ น, นั้นกษัตริย์ทั้งหลายก็หันมาหาพระพุทธเจ้าสิยกเลิกการบูชายัญ น, นั่นแหละาพามถึงเกียรติพระพุทธเจ้า เขาจะย่างเห็นเนี่ยเพราะลบล้างความเชื่อและความเชื่อนั้นใครกำลังได้ประโยชน์ลบล้างความเชื่อไม่เท่าไหร่ขัดประโยชน์กูด้วยนี่นะ่ยเขาจะยังให้ลบล้างความเชื่อไม่เท่าไหร่นะสำหรับพรามแต่ที่เคยได้อยู่ได้กินกันมาตลอดเนี่ยตอนนี้มันมีคนมาขัดคอแล้วเพราะั้นเขากลัว เพราะอยู่ๆความที่เเคยเป็นใหญ่เขามีอํานาจแม้แต่ทําพิธีกรรมกับพระราชาคุณเข้าใจไหมเขาสามารถทําพิธีกรรมให้พระราชาคุณสังเกตดูรือเปลี่ยนแผ่นดินเปลี่ยนราชวงศ์เปลี่ยนอะไรก็ตามพรามณ์ไม่เคยถูกแตะแต่เซนฮาอํามานนี่มีล้างบางนะจ๊ะใช่ครับถูกไหม เมือ่อเมื่อขึ้นแผ่นดินใหม่เนี่ยมีล้างบางเพนฆ่ารัชการในแผ่นดินเก่าเลยนะใช่ไหะเออแต่พราหมณ์ไม่เคยถูกแตะแม้เปลี่ยนราชวงศ์ก็ไม่เคยถูกแตะเพราะพราหมณ์เป็นผู้ทำรรพิธีนี่คือเรื่องจริงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นการที่พุทธศาสนาปรากฏขึ้นเนี่ยมันคือภัยอันใหญ่หลวงของพราหมณ์มาก นอกจากจะทําให้ความเชื่อความเชื่อที่ฝังหัวมาตลอดสะเทือนหวั่นไหวแล้วเนี่ยยังไม่พอเนี่ยมันลบล้างไม่พอเนี่ยมันไปขัดประโยชน์พุทธศาสนาคําสอนพุทธศาสนาไปขัดประโยชน์เพราะพระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อเรื่องเทพเจ้าไม่ให้ฝากชีวิตไว้กับพิธีกรรมผ่านใครแต่เธอจงตั้งมั่นที่จะเรียนรู้และปฏิบัติเพื่อเธอจะได้พาตัวเองพบจิตสลภาพด้วยตัวเอง ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้เขาวันไหวแต่เรนั้นจริงเนี่ยเพราะฉะนั้นที่อาจารย์พูดมายืดเยื้อขนาดนี้ก็เพื่อต้องการให้เข้าใจว่าถ้าเราเข้าใจจุดประสงค์ของเจ้าชายศรีสัชถาจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตมันไม่ได้รอความหวังขนาดนั้นไม่ได้รอแบบหลุมๆแรงๆอย่างนั้นแต่ชีวิตมันต้องที่นี่เดี๋ยวนี้ ดับทุกได้มากได้น้อยขอให้ดับไม่เป็นดับทุกได้มากได้น้อยขอให้ดับให้เป็ น, น, ปนครั้งหนึ่งที่เราสามารถหลุดจากทุกได้มันจะจดจาอาการแห่งการหลุดจากทุกนั้นแล้วเมื่อเดียวก็ตามที่มันจาอาการนั้นได้มันจะค่อยๆถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นสุดท้ายมันจะเข้าใจว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องทุงก เพราะฉะนั้นถ้าเราทำถูกทางมันก็ไปได้ถูกทางถ้าเราทำผิดมันก็ไปผิดเพราะฉะนั้นทำไมอาจารย์ทุกท่ามเน้นย้าว่าไม่ให้มุ่งเรื่องความสงบเพราะการมุ่งเรื่องความสงบมันไม่ต่างกับลัทธิกเก่าที่ไปมุ่งหลังความตายแยกกว่านั้นก็คือลองทำไปเดี๋ยวจะได้ไปพบกับพระศรีอานโอย คิดเหรอ่าเลเจอขนาดพระโคดมให้ผลอยู่มันยังไม่สนฝันล้ว่าจะไปหาพระศีอ่านเนี่ยน้ำส้มช่วยนี้ยังกินได้อยู่ไม่ไม่มฉันไม่กินน้ำส้มช่วยนี้ฉันรอกินน้ำส้มพุ่งนี้ เขาบอกพรุ่งนี้จะมีน้ำส้มลดเลดลดหวาน่านี้เขาเรียกว่าคนงโง่เข้าใจไหมของมีให้กินไม่กินจะรอ ก, กินอันนั้ข้างหน้าซึ่งไม่รู้จะมีได้หรือเปล่ามีจริงหรือเปล่าใช่หรือไ ม, อม่เพราะฉะนั้นการที่เราหันมาขยับธาตรูเพราะเพื่อให้เราเห็น เพื่อให้เราเห็นกระบวนการหนึ่งเพราะจะเห็นว่าพอเราตั้งกรรมฐานขึ้นมาปั๊บมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ปรากฏอยู่เนียงๆคือใจที่มันเผลอคิดออกไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ใจที่มันเผลอคิดออกไปที่เราปฏิเสธเคยฝึกปฏิเสธเคยฝึกที่จะไม่เอากระมันเพราะเรามุ่งไปสู่ความสงบอย่างที่อาจารย์ว่ามันหลงทางไปถึงขั้นน้นแหละจนถึงขั้นคิดว่าชีวิตหลังความตายนั่นแหละแต่ถ้าเราเข้าสู่เรื่องการเจริญสติจริงๆแล้ว การที่ใจมันหลอกจะกานไปเนี่ยมันกลับทำให้เกิดถ้าเราเข้าใจกับมันมันจะทำให้เกิดองค์ความรู้ขึ้นมาที่จะทำให้เราเข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นใจความสำคัญของการปฏิบัติอรรมฐานข้อที่สองก็คือให้รู้ทันวาระของใจสามวาระให้รู้ทันวาระของใจสามวาระ มีอะไรบ้างวาระที่หนึ่งเมื่อใจตั้งอยู่ที่ฐานมันเป็นอย่างไรให้สังเกตดูเขาว่าสังเกตดูเป็นอย่างไรเขาทุกครั้งที่เรารู้การเคลื่อนไหวเนี่ยเรารู้การเคลื่อนไหวแค้พอสังเกตดูด้วยการสังเกตมันจะเห็นความต่างความต่างมันจะเกิดจากอะไรเกิดจากการรู้ทันวาระที่สองของใจก็คือเมื่อใจ ในวาระที่สองก็คือเมื่อใจหลงออกจากฐานไปมันแปลเปลี่ยนไปเป็นอย่างไรให้สังเกตนะและในวาระที่สามเมื่อใจกลับคืนสู่ฐานได้เป็นอย่างไรมันเป็นอย่างไรให้สังเกตเพราะจะเห็นว่าหนึ่งเมื่อใจยทิ่ฐานเป็นอย่างไรให้สังเกต 2เมื่อใจหลงอวิชฐานไปมันแปรเปลีป่ยนอย่างไรให้สังเกตสมเมื่อใจกลับคืนสุธานได้เป็นอย่างไรให้สังเกตบางคนบอกแล้วมาสังเกตตรงไหนอาจารย์ยมสังเกตไม่เป็นเองสังเกตไม่เป็นไม่เป็นไรจําไว้วิธีการสังเกตเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าวิธีการสังเกตก็คือมันจะทําให้เราเห็นความต่างอันดับแรกเลยเมื่อเราสังเกตมันจะเห็นความต่าง อาจารย์บอกว่าเมื่อใจตั้งอยู่ที่ฐานเป็นอย่างไรให้สังเกตตอนนี้เราสังเกตไม่เป็นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อเดียวก็ตามคุณเห็นว่าเมื่อใจมันหลงออกจากฐานไปเมื่อใจหลงออกจากฐานไปมันแปลเปลี่ยนไปเป็นอะไรคราวนี้ถ้าคุณเห็นมันด้วย อ, อาการนั้นปุ๊บคุณจะแยกออกเป็นไหมว่าหันหัที่ใจมันอยู่ที่ฐานกับใจที่หลงออกจากฐานมันต่างกันไหมทีนี้ต่างไหมการมองเห็นความต่างอย่างนี้ได้จึงเรียกว่าการ สังเกตเอาง่ายๆหยับหยับอย่างนี้ก่อ น, นเขาเรียกว่าเริ่มสังเกตเป็นเขาน้าใจอย่างไ้นะแล้วจากนั้นมันจะเริ่มสังเกตละเอียดขึ้นเรื่อยๆอ๋อพอมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นมันยังเป็นอย่างนี้อ๋อมีอาการแบบนี้เกิดึ้นเป็นอย่างงี้คราวนี้ยมันจะเริ่มละเอียดขึ้นเองแต่ขอให้คุณเริ่มสังเกตหยับหยับนี้ก่อนเอพราะหลายคนเนี่ย อาจารย์บอกให้สังเกตด้วยนะวาระใจสามวาระมองบนไปสามรอบขอมิบตาวีฆ่ารอบจากนั้นก็นั่งยกมือเป็นไงสังเกตเห็นแล้วเ <laughs> <laughs> ข้าใจไหมให้ใช้วิธีการสังเกตก่อน สังเกตดูความต่างระหว่างใจอยู่กับใจออกไปเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่สามกุญจกลับคืนมาได้อ่ะเข้าใจว่ามันจะทําให้เราเห็นไงเห็นความต่างตรงนี้ได้การเห็นความต่างอย่างเนี้ยเครียกาการเริ่มสังเกตเป็นเข้าใจยังเห็นไหมเอ้อ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นใจความสําคัญของการปฏิบัติกรรมฐานข้อที่สองก็คือให้รู้ทันวาระของ ใจสามวาระคือเมื่อใจอยู่เป็นอย่างไรให้สังเกตเมื่อใจหลงออกไปเป็นอย่างไรให้สังเกตเมื่อใจกลับคืนมาได้เป็นอย่างไรให้สังเกตการทําอย่างนี้มันจึงไม่มุ่งเรื่องความสงบแต่เป็นการมุ่งที่จะรู้ทันอาการของกายและใจซึ่งนั่นเป็นเรื่องสําคัญเพราะการรู้อาการของกายของใจนั่นมันเป็นการทําวิปัสนา ซึ่งมันคนละเรื่องกับหลายพันปีที่เขามุ่งทำสมาธิแบบจิตนิง่งอย่างที่อาจารย์บอกว่าไอ้คนเหล่าฤาษีชีไพรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขามองว่ากายเนี่ยมันไม่ใช่ของยั่งยืนเนี่ยเขามองในลักษณะตั ก, กะหรือความคิดแต่ถ้าทีเนี้ยหันมามองด้วยวิปัสสนาญาณเนี่ย หันมามองวิปัสนาญาณอย่างแท้จริงกับพระพุทธเจ้าเราจะเห็นความไม่เที่ยงความที่มันแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาของกายเห็นความเป็นทุกข์เห็นอาการที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ของกายเห็นความเป็นอนัตตาเห็นความที่มันไม่อาจบังคับบัญชาให้เป็นไปตามความปรารถนาได้มันเป็นของมันเองเนี่ยสิ่งนี้ต่างหาก ที่เราเห็นด้วยวิปาาัสนาญาณไม่ได้เห็นด้วยความคิดซึ่งมันต่างจากเาหล่าฤาษีเพราะเมื่อพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเห็นกายตามความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่บังคับบัญชามันบังคับบัญชาไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าเขไม่ได้สอนให้เราทิ้งกายพระองค์กลับสอนให้เรารู้จักกับมันแล้วใช้มันเป็นเครื่องมือในการเดินทาง ก่อนที่จะถึงที่สุดเห็นไหมที่มีพระรูปหนึ่งไงท่านมีปัญหาเรื่องอวัยวะของท่านมันแข็งแรงตอนเช้าๆเข้าใจไหมท่านคิดว่าท่านเต็มไปด้วยกา ม, มาลาค่ะท้ายท่านจับมีดมาเฉือนมันดิ้นพร่านเลยทีนี่ต้องช่วยกัน เลือดไหลไม่หยุดเกือบตายพระเจ้าบอกโมคะบุรุษสิ่งที่ควรตัดเธอไม่ตัดไปตัดสิ่งไม่ควรตัด <laughs> มันต้องไปทำตรงนั้นไหมมันไม่ใช่เข้าใจไหมสิ่งที่เธอต้องไปจัดการกับมันคือจิตที่มันดําริไปทางกามราคะต้องไปรู้ทันตรงนั้นไม่ใช่ไปตัดไปทำลายกาย พนพุทธศาสนาจึงจึงให้เห็นกายตามความเป็นจริงแต่ไม่ได้หลังเกียดตถึงขั้นทำลายถึงขั้นไม่เอาเพราะว่าพราะองค์เคยเดินผิดมาแล้วในหกปีแรกใช่หรือไม่และพอเดินผิดใน6ปีแรกนั้นน่จึงทำให้พระองค์อายุสัน้นคนในสมัยนั้นอายุร2 0ยสิปีพระพุทธเจ้าเท่าไหร่8ปสบแค่สองในสาม ใช่ไหมสองในสามใช่บ้างพระ อ, อน 120, านนท์ร้0ยี่สิพระมหากระสปะร้อยยี่สบคนร้อย2 0ิีนี้120ยสิบพระพุทธเจ้าแปดสิบยังหนุ่มอยู่เลยเอาร้0ยี่สปีนี้แปสิบยังหนุ่มนะใช่ไหมเหลืออีกตั้งสี่สิบปีนะํามเกณฑ์เห็นหั้มเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าด้วยความหลงทางนั้นทำให้ระองค์เผลอไป ไม่ได้เผความไม่รู้เนาะใช้คำว่าพระองค์ไม่รู้ในขณะนั้นพระองค์ไม่รู้เนี่ยพระองค์ก็ไปเดินบนเส้นทางนั้นถ่าเส้นทางแห่งการทําลายกายพุทธศาสานาจึงไม่ได้สอนให้เห็นกายในลักษณะเป็นของหน้าลังเกียรตจนทิ้งแต่สอนให้เห็นความจริงใช้มันเท่าที่จะใช้แต่ก็ไม่ได้สะอินสะอ่อนคือเข้าใจไหม ไม่ถึงกับต้องประคบประงมกอดลัดฟัดเวียงกายอย่าเป็นอย่างนั้นเลยอย่าเป็นนโอ๊ยฉันป่วยโอ๊ยเป็นไข้โอ๊ยไม่ใช่เออมันเสื่อมตามสภาพเห็นไหมอ๋อนี่ไงมันเสื่อมตามสภาพมันก็มีไข้มีไม่สบายอืนี่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันเป็นทุกข์ของมันเออให้เห็นความจริงตรงเนี้ยเข้าใจไหมอันเนี้ยเห็นแบบวิปัสสนาญาณมันจะไม่รังเกียจและมันจะไม่ทํำลายกายมันต่างกันนะ กับพวกฤาษีเห็นไหมฤาษีต้องทำลายกายทิง้งเพราะกายมันไม่ไม่เที่ยงใช่ไมเขาบอกว่ามันจีหลังเขาต้องเอาจิตจิตมันจีหลังกว่าอะไรเงี้ยเข้าใจไหมไอ้ข้อความเข้าใจผิดขงรงพว่พอเรามาเรียนรู้เรื่องการตั้งกรรมฐานที่กายนะได้เข้าใจความสำคัญสองอย่างไอ้ความสาคัญสองอย่างตั้งกรรมฐานด้วยมีใจกับฐานจากนั้นให้รู้ทันวัลา์ใจ ซึ่งตรงนี้แหละการรู้ทันวาระของใจที่มันหลงออกไปแล้วกลับมาหลงไปกลับมาเนี่ยมันก็จะนาพาเราไปเห็นพอมาสังเกตไปบวๆปุ๊บมันจะเห็นความจริงอีกว่ากายกับใจมันเป็นคนละอย่างนี่แหละมันจะทำให้เราเห็นกายกับใจว่าเป็นคนละธาตุเป็นคนละอย่างคนละอย่างไม่ใช่อันเดียวกัน กายก็ทำงานในอีกลักษณะหนึ่งใจก็ทำงานในอีกลักษณะหนึ่งเข้าใจไหมมองเห็นอาการของกายอาการของใจมองเห็นธรรมชาติของกายธรรมชาติของใจมองเห็นงานของกายมองเห็นงานของใจเป็นคนละอย่างตรงนี้การแยกอย่างนี้ออกนี่แหละคือต้นทางของวิปัสสนามันอยู่ตรงนี้ นั่นและคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องตั้งกรรมฐานไว้ที่กายและทำไมต้องตั้งใจทาการตั้งกรรมฐานไว้ที่กายเพื่อให้ใจรู้จักที่อยู่ซึ่งต่อไปจะทำให้ใจเราจะมองเห็นใจวิ่งเข้าวิ่งออกและมองเห็นใจวิ่งเข้าวิ่งออกมันจะแยกความต่างระหว่างกายกับใจได้เสร็จแล้วมไม่แค่นั้นนะเมื่อแยกกายแยกใจใจที่กลับมารู้กับกายบ่อยๆใจมันจะเริ่มเห็นความเป็นทุกข์ของกาย ซึ่งในนี้มันเป็นเรื่องราวที่พูดเชาต้องการให้เราเห็นเข้าใจไหมซึ่งเราจะค่อยๆเรียนกันไปวันนี้ก็พูดแค่นี้ให้ฟังให้เข้าใจเข้าใจไม่เข้าใจเรื่องของคุณเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของความคิดตามเราจะเข้าใจได้แต่ถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเริ่มเริ่มเริ่ม เข้าใจในสิ่งที่พระอาจารย์อธิบายไปเมื่อกี้มากขึ้นมากขึ้นเองขออย่างเดียวอย่ามุ่งเรื่องความสงบเข้าใจไหมตั้งคำประฐานด้วยใจความสำคัญสองข้อคือเอาใจมาตั้งที่ฐานข้อที่หนึ่งในข้อที่สองก็คือให้รู้ทานตอน ใจมันอยู่เป็นยังไงใจมันหลงออกไปเป็นไงใจมันกลับขึ้นมาได้เป็นไงเข้าใจไหมทีเนี้ทำเนี่ยทำแค่เนี่ยไปเรื่อยๆโอเคไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอเชิญทุกท่านเอามือวางที่หัวเข่าหรือว่าจะเดินจงกลงสักหน่อยนั่งนานละอะลุกขึ้นเดินจมกลมดีกว่าลุกขึ้นนะครับพอเราลุกขึ้นยืนปุ๊บเราสไลด์ าทางขวามือปุ๊บ ม, มันจะเจอช่องว่างทันทีเวลาเดินจงกรมก็คือเปลี่ยนฐานการละลึกลูบไปไที่ไหนเท้าที่เดินไปเดินมาโอเคไหมจากที่เมื่อกี้เรานั่งยุหมือส้าจังหวะเวลาเรายุบมือสร้างจังหวะเราฐานการลึกลูบไ้ที่ไหนมือกับแขนที่เคลื่อนไหวตอนนี้เราจะเอาขากับเท้าเคลื่อนไหวแทนตั้งใจก้าวเดินทีละก้าวแต่ไม่ต้องคาช้านะ ทำสบายๆยอย่างนี้นะ <c oughs> เราสํารวมมือใช่ไหมเพราะเราจะใช้เท้าแทนสํารวมมือเสร็จเราก็ตั้งใจเดินทีละข้าวศาีรษะของเราตั้งตรงสายตาของเรามองลงทางเห็นไหมทั้งใจเดินทีละข้าวรู้ทีละข้าวตอนจะหมุนตัวแล้วว่าสอยเท้าทําไมสายเท้าเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหว ให้ขยันรู้เข้าใจไหมเออบางคนเดินเดินไปปุ๊บปุบ๊หมุนตัวมันน้อยไปมันน้อยไปแต่ทาแบบนี้ปุ๊บหมุนตัวเห็นไหมได้เยอะไหมนี่เออได้เก็บตัวรู้เยอะไหมเก็บเก็บเต้มได้เยอะเลยนะถ้าไปแบบนี้พอหมุนตัว เราเคยไม่ได้อะไรเลยนะแล้วก็เดินไปแล้วหมุนตัวปุ๊บใช่ไหมหเดินมาปุ๊ถึงจุดเราจะห ม, ห, มหมุนตัวแล้วก็หมุนพอเราหมุนตัวแล้วครับแล้วก็ลอเพื่อนพอเพื่อนหมุนตัวก็เดินตามเดินะพอเพื่อนเดินไปเราก็เดินตามไปโอเคไหมอ่าพร้อมแล้วเตรียมตัวเดินจงกรมขยับเท้าอยู่กับที่สิลองขยับเท้ารู้สึกไหม ถึงหมกับการกระทบของเท้าที่กระทบพื้นก็ได้มันรู้จังหวะในชัดก็เอาตรงนั้นแหละเข้าใจไหมแต่ไม่ต้องไปเก็บรายละเอียดเอาแค่ okay. พื้นพื้นง่ายง่าท้ากระทบพื้นรู้ก้าวไปรู้แค่นี้มันรู้ตอนก้าวก็โอเคมันรู้ตอนเหยียบก็โอเคมันรู้ตอนยกก็โอเคอะไรก็ตามโอเค